แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าขยาวขวัญสมาชิกปริศนาเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอได้เล่าให้เราฟังว่าเธอชื่อเล็กเมื่อนานมาแล้วเธอทำงานในหน่วยราชการแห่งหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องหลอนติดตาไปจนตาย สถานที่นั้นเดิมเป็นโรงพยาบาลเก่าเป็นที่ทำงานเล็กๆคนทำงานทั้งหน่วยงานไม่เกิน20คนทุกคนในนั้นสนิทสนมกันมากไม่ว่าจะมีอะไรก็เล่าให้กันฟังไม่ปิดบงังเธอได้เข้าพักในบ้านพักของหน่วยงานบ้านพักที่มักมีเสียงเล่าลือแปลกๆเกี่ยวกับสิ่งลึกลับเสมอๆพี่ออเป็นเจ้าหน้าที่สื่อส่วที่สนิทกันกันกบเธอทางานห้องเดียวกันทางานประสานงานกันตลอด ที่เธอแปลกใจคือในห้องทํางานที่ออสเชิญพระพุทธรูปองค์ใหญ่มาประดิษฐานไว้บนหิ้งเธอก็ถามว่าทําไมอ่ะทําไมในห้องทํางานที่ออสถึงมีพระใหญ่ขนาดนั้นแกก็เล่าให้ฟังว่าและก็เห็นว่าพี่มาทํางานที่ตึกนี้จนค่ามืดบ่อยๆนั่งสกรีนผ้ามั่งทํางานโสดมั่งเมื่อคืนก่อนโน้นที่มาทํางานตอนกลางคืนเหมือนเคยพอทําไปทําไปพอดึกๆพี่ก็ได้ยินเสียงก๊อกแกลก๊อกแกลดังมาจากห้องสมุด มีเสียงแตัแต๊ตั๊ตั๊เหมือนมีคนกําลังพิมพ์ดีดอยู่ด้วยพอไปส่องดูก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในห้องสมุดเหมือนเป็นผู้หญิงผมยาวๆนั่งอยู่ที่โต๊ะพิมพ์ดีบานิากาศเย็นเยียบขาของพี่จูจๆมันก็รู้สึกเหมือนอยากจะก้าวขาวออกไปจากตรงนั้นแต่ก็ก้าวไม่ได้จนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วลอยมาหาลอยจริงๆนะเพราะขาของเธอไม่ได้ติดพื้นเลยพอยิ่งใกล้เท่าไหร่แววตาสีขาวแทนที่จะเป็นสีดํา รอยยิ้มที่เหมือนจะยินดีแต่ดูเหมือนจะสยยยิ้มให้พี่มากกว่าเธอค่อยๆ ย, ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆพี่พร้อมกับพูดว่าพี่มานี่สิเข้ามาช่วยกันพิมพ์หน่อยตอนนั้นขาพี่สั่นแบบควบคุมไม่ได้เลยเยี่ยวพี่แท็บเล็ตพอดีได้ยินเสียงพี่ยาณเรียกนั่นใครทำอะไรตรงนั้นนะ่ะพี่ถึงได้ขยับตัวได้และพี่ก็รีบเก็บของกลับเลยไม่กล้าหันไปมองห้องสมุดอีกไม่กล้าจะอยู่ตอนกลางคืนอีกเลยอ่ะ แล้วพี่ออสก็พูดต่อว่าแต่พี่ก็มีงานเร่งที่ต้องทํางานตอนกลางคืนบ่อยๆจะทํายังไงได้ละ่ะก็เลยไปปรึกษาพระที่วัดแถวๆบ้านท่านก็ให้บูชาพระพุทธรูปมาตั้งในห้องทํางานนี่แหละแถมยังให้น้ํามนมาพรมห้องด้วยลเล็กออกบ้างไหมเรื่องของพี่ออสไม่จบแค่นั้นคราวนี้เป็นตอนที่ทางหน่วยงานจัดงานประชุมใหญ่พอออสก็อนุมัติให้ตัดเสื้อสูตรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีช่างมาวัดตัวถึงที่ทํางานช่างก็ตามไปวัดให้ทุกๆคน เมื่อได้เสื้อสูตรมาแล้วก็แจกให้ทุกคนได้ลองใส่ผลปรากฏว่าเสื้อของพี่ออสตัวใหญ่มากใหญ่กว่าเจ้าตัวชนิดใส่ไม่ได้เลยก็พี่ออสรูปร่างเตี้ยเล็กลำล่ำหน่อยไม่อ้วนพี่ออสบอกว่าช่างไม่ได้มาวัดตัวพี่นะ่ะไม่เคยเห็นช่างเลยด้วยซ้ําวันที่ช่างมาวัดตัวนั้นอนะ่ะพี่ออกไปราชการข้างนอกพี่ก็ยังคิดอยู่ว่าทําไมช่างไม่มาวัดตัวพี่แล้วเสื้อตัวนี้มาได้ไงอ่ะช่างไปวัดตัวใครมาล่ะช่างตัดเสื้อก็ตกใจเมื่อเห็นหน้าพี่ออส พี่คนนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับวันนั้นผมไปวัดตัวที่ห้องสมุดคนที่ผมวัดตัวเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ตัวอ้วนกว่านี้อีกแต่บอกว่าชื่อเดียวกับพี่คนนี้ครับเห็นสีหน้าช่างวันนั้นก็ช่างหน้าสงสารสีหน้าเผือดซีดไปหมดผมก็ว่าผู้ชายคนนั้นดูแปลกๆรูปร่างสูงใหญ่คิ้วหนาตาโตดูซิสซีดเสียงดังบุคลิกดูเป็นคนดุไปคนละเรื่องกับพี่ออสเลยอ่ะพี่รูปร่างเล็กกว่ากันเยอะมากเอาอย่างนี้นะ เดี๋ยวผมว่าตัวพี่ออสตัดสูตให้ใหม่แล้วเสื้อตัวนี้เอาไปถวายพี่สารพระภูมิยกให้ที่นี่ไม่คิดเงินก็นแล้วกันครับแล้วเสื้อสูตรตัวนั้นก็โดนเอาไปถวายที่สารพระภูมิที่ว่ากันว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากคนงานไปทําความสะอาดทีไรก็จะถูกหวยตลอดเมื่อพี่ออสเอาเสื้อสูตรไปถวายพระภูมินั้นก็ได้ยินเสียงดังมาในใจว่าขอบใจนะแล้วเดี๋ยวจะไปทักทายใหม่พี่ออสถึงกับสะดุ้งทั้งตัวตกใจขนลุกไปหมด แล้วเราจะทําทานต่อได้ไหมเนี่ยแล้วเย็นวันน <You know. ั้นเมื่อพี <S <S ่ออดเดินไปข้างหลังที่ห้องพักเพื่อคุยธุระกับพี่ติดเพื่อนที่สนิทกันคนหนึ่งพอเดินผ่านห้องพักห้องหนึ่งพี่ออสได้ยินเสียงร้องไห้แว่วมาเบาๆแล้วค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆนั่นเสียงใครอะติดได้ยินไหม ใครร้องห้อยู่แถวๆนี้พี่ออสกับพี่ติ๊กก็พากันไปเดินสำรวจห้องพักจนทั่วทุกห้องถามคนแถวๆนั้นจนครบทุกๆคนก็ไม่มีใครได้ยินเลยแม้สักคนเดียวไม่มีนะพี่ที่เจออะไรหรือเปล่าเห็นว่าแม่บ้านทำความสะอาดได้ยินกันมาบ่อยๆจนลาออกไปหลายคนมากแล้วนะฮะแล้วพวกติกก๊กได้ยินกันบ้างเลยเหรอพี่ออสตกใจจนขนลุกทั้งตัวไม่ได้ยิงหรอกแต่ก็แผนไม่ตาให้บ่อยๆนะเขาเล่าว่าสมัยก่อนที่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลแม่และเด็ก แถวๆนี้เป็นห้องพักผู้ป่วยแล้วก็มีผู้หญิงที่คลอดลูกและติดเชื้อตายอยู่ห้องแถวๆนี้แหละผู้หญิงคนเนี้คงร้องให้เสียใจที่ไม่ได้เลี้ยงลูกเพราะตายซะก่อนมั้งพี่ติดเล่าให้พี่ออส ฟ, ฟังแล้วบอกให้พี่ออสไปทําบุญให้เขากรวดน้ําแผ่เมตตาให้ซับแล้วคืนนั้นพี่ออสก็มาทํางานตอนกลางคืนเหมือนเดิมตอนกลับบ้านพอกับรถผ่านสารพระภูมิก็มองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ใส่เสื้อสูตร ยินยิ้ม ย, ง ย, งยิงฟันขาวให้แถมยังโบกไม้โบกมือให้พี่ออสในใจก็มีเสียงดังก้องกังวานบอกว่าอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนะอย่ามัวแต่กินเหล้าเที่ยวกับเพื่อนฝูงเยอะไม่งั้นจะโดนมากกว่านี้แล้วหลังจากนั้นพี่ออสก็ขยันเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาตลอดที่คอก็คล้องสร้อยพระไม่เคยลืมเลยล่ะ ้าคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ